เราก็ทำวัดจบอย่ามัวแต่นั่งมองเหงาหาวนอนกันอยู่หรือว่าให้จิตใจของเรามันออกไปนอกกรรมฐานมีกรรมฐานเป็นเครื่องเอารู้ตอนจะตื่นอย่าหลับนั่นละปลุปกจิตใจให้มันตื่นรู้ขึ้นไา ใช่มันโง้โงงงงง่งง่งามงามเงินเงินไปมันเป็นบทฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดแล้วมาฝึกหัดฝึกจริงๆหัดจริงๆยกจิตมันขึ้นสูงให้ได้ขึ้นสู่สบาว่าปกติเป็นธรรมชาติเดิมๆของมันจิตต่าจิตตกมัน เป็นแดนที่ไม่น่าอยู่เป็นภูมิต่ำง่วงเองาหานอนนี่เป็นไสยศาสตร์เลยละ่ะไสยศายสตร์ไสยาตพุทธศาสตร์เรามศึกษาพุทธศาสตร์ศาสนาพุทธมีวัดวารามจิตใจเป็นสูงฉลาดจิตเป็นกุศล น, น, นะนะ เป็นบุญเราก็เลยนนละามารวมตัวธรรม จ, จ้าแบบบรรยากาศเขมหาดูได้ยากรวมตัวกันอย่างเช่นอินเดียรวมตัวกันแปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็สามสิบศพแล้วตอนนี้เหยียบกันตายอย่างน้อยสามสิบแปดศพเรามารวมตัวกัน ตายเหมือนกันแต่ว่ากิเลนตายอ่ะฝึกให้กิเลนอ่อนตัวหมดเร็วหมดแรงแล้วตายไปก็ดีเได้เห็นเลยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยกิเลสมานี้ย โ, โปรขึ้นมาเป็นอาการของความโรธความโกดความหลงตัณหาสามพวกนี้กิเลสตัณหาความพอใจความไม่พอใจ เราก็เห็นมันเปลี่ยนมานเป็นบารมีมานมีมีมานก็เป็นบา ร, ม, ม, ม, ม, ม, บารมีขึ้นมามีความเต็มมีความอิ่มมีความสดชื่นบองไว้คล่องตัวผ่อนคลายมันไม่ทุกข์นะขันดมานมีร่างกายนอนมาทั้งคืนมันยังนอนไม่อิ่ม มันงวงที่กายมันงงที่จิตกันแน่ดูดีๆเวลานี้ไม่เป็นไรตื่นมาบรรลุธํามแล้วตีสามตุ้งกมงช้านยามสามอาสวะกายยานถ้าไปแลานะของวิญญาณก็ต้องรู้ละอาสวะกายยานไงของละเอียดละเอียดมีอยู่อาการธรรมชาติที่ละเอียดละเอียดมันเกิดที่ไหน มันเกิดในชีวิตของเราที่กายอันนี้ก้อนทุกรอยเป์เซ็นต์เลยกายนี่เป็นก้อนทุกร้อยเอร์เซ็นแล้วนะเป็นทุกที่มันขังเราไว้เป็นคุกที่เปนขังเราไว้นเราจะต้องเรียกว่าอยู่เหนือเหนือขันห้าไปเลยถ้ามีสติมันจะเหนือได้นต่ถ้าไม่มีสติมันถูกดูดเข้าไปรับใช้นขันห้า ทุบขันห้าขันดมานอันนี้เราก็จะต้องรู้จักมันร่างกายของเรามันเป็นมานอุปทายยูปูกอุปทานจิตของเราเนี่ยมันก็เป็นมานพาไปคิดอะไรก็ได้เชื่อมันสนิทที่ผ่านมาเราไม่รู้ความคิดกับตัวสติมเป็นคนละตัวกัน ความคิดกับจิตมันเป็นกนละตัวกันแต่จิตน้าเจ้าเข้าในความคิดถ้ามันหลงมันไม่รู้มันไม่มีวิชาไม่มีความรู้มันรู้มันรู้ไม่ถูกมันรู้มันรู้ผิดผิดมันเห็นไม่ถูกมก็เลยเป็นเรื่องเป็นลาวทํำให้เราบกบลอยู่ในภพชาตินลงไปในความคิดแล้วก็ชื่อ เพราะฉะนั้นเราก็ถอยถอนออกมามารู้สึกตัวนี่แหละนอะไรคือความรู้สึกตัวกับรู้ที่กายไปเรื่อยๆก็แล้วกันมันเด่นเมื่อไหร่มันแยกให้เมื่อไหร่มันแสดงตัวเมื่อไหร่มันปกติเมื่อไหร่ละได้บ้านได้ที่อยู่ก็รู้จักละนถึงตรงนั้นแล้วว่าเออส่วนตัวส่วนตัวของใครของเราลการใช้ชีวิต เทวะปุตตมานมานคือความสะดวกความสบายเทวดาทั้งหลายเทวทูตทั้งหลายการแก่การเจ็บความสบายความสะดวกเพราะฉะนั้นไปบัติธรรมในใช้อินทรีย์ลูกคุณหนูไม่ได้ป่านนี้ยังไม่เคยตื่นก็ต้องตื่นมาแล้วบางคนเพิ่งจะนอนนะตอนนี้เที่ยวมาทั้งคืนนะตีสี่ปรับบาปิดบางที่ก็ยังไม่ปิดป่านนี้ก็ยัง โลงป้งชึ่งมันอยู่บางทีก็ตโตลุมก็มีอย่างพัทยายอย่างนั้นนะแล้วก็ท้ายสุดก็คืออาจจะหมดชีวิตวันนี้แหละมันเลยเป็นเรื่องที่เราตื่นขึ้นมารู้เห็นโลกตามความเป็นจริงโลกโลกิยะโลกโลกุตระมันจะมีอทธิ์มีเดชในจิตของเรา ทำให้เกิดการช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ยังไม่พอก็ต้องช่วยผู้อื่นด้วยเป็นประโยชน์ตนไปเป็นประโยชน์ท่านไปมันจะบรรยากาศของกัลยาณมิตรขึ้นมาเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนตายของเรามันจะมีเพื่อนปอกลอกเยอะเพื่อนประจบประแจงมิตรบาป แต่เรามีความรู้สึกตัวเรามีการเคลื่อนการไหวกระทบสัมผัสร่างกายของเราเนี่ยมันกลายเป็นเพื่อนแท้ไปไหนไปด้วยใครกระใจไปด้วยการแล้พึ่งกันได้แต่ไปเพึ่งความคิดถ้าหลงเข้าไปในีพึ่งไม่ได้เลยเราก็เลยมาฝึกนะให้รู้กายเคลื่อนไหวเวลาใจมันคิดมันนึกมันโปร่งมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็รู้เท่ารู้ทันอาการต่างๆที่มันซ่อนซ่อนขึ้นมาก็รู้เท่ารู้ทัน เาไม่ได้ตั้งใจใมันเกิดมาสักหน่อยเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้สนใจใส่ใจไม่ได้ถือไม่ได้หยิบมาใช้ไม่ใช่เวลาเวลานี้เวลาตื่นความง่วงมาก็ไม่ได้ใช้หรอกก็ปลุกขึ้นมาออกมาจากความง่วงออกมาจากการต่างๆมาเป็นความรู้สึกกระทบสัมผัสรู้เสริมบริสุทธิ์และท้ายสุดจะมีพลังเห็นมาน้อยๆ แต่เรามีมากๆอ่ยสร้างความต่อเนื่องเดีมันไม่ใช่มีเพราะความอยากแต่มันมีเพราะเราทําเหตุเราเคลื่อนไหวแล้วก็ทบสัมผัสรู้สึกไมนจะต้องเกิดผลขึ้นมาเดี๋ยวผมคือกฎของธรรมชาติกฎของกรรมฐานเป็นกฎของกรรมแต่มันเป็นกรรมฐานไมงั้นเราก็ไม่ต้องมาฝึกมาหัดกันหรอกะจะไปไหนก็ไปโลกงว้างใหญ่ไปแานมีช่องต่างๆล่องทางต่างๆ ติดสุกไปหาสุขติดทุกไปหาทุกแต่วันนี้เราจะอยู่เหนือสุกเหนือทุกกันบ้างละชีวิตนให้มันเป็นอิสระทางจิตวิญญาณให้เป็นอิสระภาพทางด้านจิตใจของเราที่มันไม่ต้องทุกข์อย่างเช่นที่ผ่านมาเี้ยมันเคยมีอะไรมากมายในชีวิตแต่ว่าท้ายสุดมันก็ไม่ใช่เราเคยสบายมาแต่ท้ายสุดน ความสูงสอนให้อ่อนแอความสูงสอนเห็นแก่ตัวความสูงสอนให้แย่งชิงกันผลประโยชน์อยู่ที่ไหนทะเลาะบ่อแวงที่นั่นแล้วก็รู้เรอกไม่เอาอย่างนั้นเขาคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาเขาอยากได้อย่างไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่ใจของเราแต่ใจเรารู้อยู่รู้เราอยู่รู้สึกตัวรู้สึกตัวมัจจุมาน อันนี้มาในภาพในกล้าของความกลัวทั้งหลายทั้งหมดนะฮะมันทั้งอายชั่วกลัวบากระเหมือนกันโดยส่วนตัวสงเคราะห์เข้าไปในมัจจุมาลเลยกลัวตายจากความดีตายเ ส, สียอกเสียใจเพราะทำดีนะฮนะทำดีไม่ถึงดีทําดีไม่ถูกคนทําดีไม่ถูกกาละเทสะทําดนะีแล้วก็อีกนิดนึงจะถึงดีอยู่แล้วทอแท้ไปซะ ก, ก่อน ยังเป็นเรื่องที่เราผ่านกันมาดีทำดีทั้งน้ำตาแล้วนะไม่รู้จะทำยังไงทำงานทำการคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าตอนไม่ทำก็อยากทำพอทำแล้วมันมีปัญหามีวศักะท้อแท้เบื่อหน่ายไปนะมันก็จึงมีมานมาปะจนอย่างมาชีวิตของเราถ้าไม่รู้สึกตัวนะอย่างเช่นเดยววนันสองวนนะันเนี่ย ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ผูมดีต์ไม่ใช่คนปัจจุบันนี้นะก็มาวัดมาว่าสงเคราะห์โดยพระวัดป่าสุขกตอเนี่ยนะช่วยเหลือหลายอย่างวัดป่าเขาทองเนะี่ยช่วยเหลือหลายอย่างลูกชายก็เป็นแพทย์ก็มาบวชอยู่ที่นี่มีศรัทธาแบบนั้นคนนายผู้ว่านะแม่บ้านกาชาติกมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่แก้บนผู้ว่าเอง หลังจากที่ทำดีให้กับโลกงานกุศลต่างๆช่วยเหลือสังคมระเมียชีพผ้วพัอบ้านดูแลสารทุกสุขดิบแต่ปลายสุดคือถึงคิวที่เป็ น, ปนโรคร้ายป่วยเป็นไตาวายเลือดหลังเฉียบพลันเสียศูนย์เลยนะ คุณนายผู้ว่าร้องผมร้องให้เห็นหน้ากันแล้วเมือ่อไหร่ก็ร้องให้มานั้นแหละอาจารย์กาแถมขณะที่พ่อป่วยเป็นไตาวายเลือรลังลูกเป็นแพทย์ก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันอาการหนักถ้าแม่ทั้งสามีทั้งลูกป่วยพร้ อ, อมๆกันแล้วจะตายแบบเฉียบพลันมันไม่หัวใจสลายนะทาไมมีกรรมฐานเดชบุญเคยมาฝึกกรรมฐาน ก็ได้ใช้กรรมฐานได้ใช้ความรู้สึกตัวไม่ได้พูดเราเองนะพูดให้ฟังอย่างนั้นเราก็เลยเห็นว่าเออคนเราเนี่ยบางทีมันก็มีทางออกนะเวลามันมีปัญหามันขับขันขึ้นมามันแทรกออกมามันมีทางออกนะจนมีคําพูดว่ามีปัญหาอย่าท้อแท้หนทางแก้มีอยู่เสมอมีทางออกอะไรที่เลวร้ายสุดๆไม่มีหรอกที่มันจะไม่มีทางออก เพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้นพระไตรลักษมันแสดงอยู่เราก็เลยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนอนคนที่ไม่ดีที่สุดเนี่ยมันก็น่ารักนะอย่างน้อยๆพ่อแม่ก็รักเขาสัตว์สาลาสิงห์หมาสักตัวผมก็รักเขาบางทีนกสักตัวก็รักเขาแมลงสักตัวผมก็รักเขาถ้าจะมีเมตตาปูกสัมพันธ์กันไว้ทะเราะทะเลาะเขาสร้างสัตว์ตัวอีกเยอะเลยนะมันมากับเขานั่นแหละ เจ้ากรามนเวรก็เลยโอ้เห็นตรงนี้แล้วน้าองสารนกะคนนี้เราไม่ถือสาหาความกันดีกว่ามันหนักนะวางก็เบาเอาก็หนักอะไรก็ตามเดี๋ยวพอขันห้าของเราเนี่ยมันหนักจริงๆนะรูปธรรมนามธรรมทําไมรู้เท่ารู้ทันมันกลายเป็นมารเลยลนะะขันตามาอย่างเงี้ยก็คือตัวเราเองเป็นมารกับตัวเราเองกิเลสมารอย่างเงี้ยโอ้ไม่ใช่ใครเลย กับ ต, ตัวเราเองเอ ง, เองนะวิธีคิดต่างๆไปยึดเป็นอัตตา ต, ตัวตนมาหนาหางการบังการนะความหยิ่งยโสโอหังความพยองลำพองทรนงโ อ, อวดอวดดีทั้งหลายนะไม่เหมือนกับหลวงปู่เทียนหลวงปู่เทียนมีดีมาอวดคนหาว่าหลวงปู่เทียนอวดดีอวดดีอวดดีเป๊วมีดีมาอวดเนี่ยเคยผ่านมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่าง มันความรู้สึกตัวที่พูดไปเนี่ยมันเคยทํำมาเคยปฏิบัติมาหลังจากที่ปฏิบัติถึอเคเข้าใจก็เลยเอาสิ่งนี้มาบอกกันนะเพราะนั้เราก็เป็นอย่างนั้นแหละท้ายสุดเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่ดุลไม่ใช่ก้อนนะมันจะเห็นเป็นอาการตัว มันถึงจะเป็นรูปธรรมเป็นนามนธรรมเห็นเป็นวัตถุอาการปรมัทิติขึ้นมามันเป็นสมมติคิดเอาเพราะนั้นปริบัติธรรมคิดเอาไว้ได้ทำมาไม่ใช่อย่างที่เราคิดปฏิบัติเราจะยิ้มหน้าขาวปิติมีความสงบมีความนุ่มนวลไม่ใช่หรอกอาการที่เราเจอทั้งหมดนะัะนที่ไม่ได้เชื้อเชิญเราก็จะเคลื่อนมือจะรู้สึกมันก็จะโปะผุดขึ้นมานเกิดแล้วเกิดอีกจนเราเห็นจน คาหนังคาเขาจะชำนาญไปเลยะเห็นแล้วมันผ่านได้มีภาวะผู้โดดขึ้นมาแต่ใหม่ๆไม่มีให้มารู้สึกตัวอย่าไปอยู่กับความคิดอย่าไปอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงให้มาอยู่งกับสัมผัสที่กายของเราบานทีจะส่งไปทางตาตัดกลับมาสัมผัสรู้สึกมันจะไปทางหัวตัดกลับมารู้สึกพอดูกายไปดูกายมาก็จะเห็นเวทนาละดูกายกเห็นเวทนาโดายนาก็เห็นจิต จะเห็นจิตก็ต้องเห็นความคิดอาการที่มันหยาบฝัดจิตปกติจิตไม่ปกติมันเป็นอาการที่เราเคยไปรับใช้แล้วเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยบัด น, นี้ถอนมาเห็นการเคลื่อนไหวเฉยๆของมันมันก็จะจบลงทันทีไม่เห็นจิตมันคิดความคิดแต่ละตัวก็เป็นลน้านๆของกุศลธรรมอกุศลธรรมตาดูคิดต่อหูฟังก็คิดต่อเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรม ที่เป็นกุศลเป็นอกุศลอยู่ในนั้นนะคณะเดียวกันเลยมันก็จึงเป็นสติปัฏฐานสี่เต็มรอบทีเดียวทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวเป็นสติปัฏฐานสี่เต็มรอบแต่ใหม่ๆจะเป็นลนักษณะของสติแบบสัญชาติยานที่กาลังจะถอยออกมาจากสัญญาสัญชาติยานเป็นสติปัฏฐานจากการรู้แบบธรรมดาเป็นรู้แบบวิปัสนาจากรู้แบบจมแช่ยึดหลบกลายเป็นรู้นะ แล้วก็แตกฉาละก็ผ่านทันทีนะมันจะเกิดขึ้นมาแน่ๆถ้ามีสภาวะของการทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องหน่อนะเพราะันตรงนี้ไม่ต้องไปเชื่อใครหรอกที่เราสวจกับมาสูตรมาสักครู่เนี่ยจริงแท้ๆคนที่พูดบางทีก็ไม่มีเหมือนกันล่ะนะคนที่พูดเนี่ยบางทีก็นั่งสะพงก์เหมือนกันละเห็นได้ชัดคนที่พูดบางทีก็หลงอารมณ์เหมือนกันละนะเพราะเราก็เลยนะมา สอนตัวเองกันดีกว่าสั่งตัวเองสอนตัวเองสั่งตัวเอ ง, ง, เองก็คือเนี่ยยกมือสิบสี่อย่างว่าสั่งให้ได้ตอนนี้ก็ต้องสั่งนะเสียงนี่เป็นส่วนประกอบเฉยๆเป็นทวารหูเฉยๆเป็นสมมติบัญญัติ ด, ด้วยเป็นภาษามนุษย์ภาษาคนมันไม่ใช่ภาษาธรรมชาติในใจเราธรรมชาติใน ใ, นใจเราคือเนี่ยเคลื่อนก็รู้ว่าเคลื่อนอยู่นะสัมผัสก็รู้สัมผัสอยู่นะ ความเป็นกลางก็รู้ว่ามีความเป็นกลางสมดุลก็รู้ว่ามีความสมดุลปกติอยู่ก็รู้ว่ามีความปกติอยู่นะการเข้ามาในเสียงอามาตีความต่างๆเป็นสมมติบัญญัติเข้ามาทำไมเป็นภาษาในสมองมันไม่ใช่ภาษาในจิตในใจของเรานการกระทบการสัมผัสกายยานวิญญาณจิตวิญญาณนั่นแหะเราก็ถอด ร, รหัสบรรดูขันห้าเป็นยังไงรูปธรรมนามธรรมนะ่น เพราะนั้นเราก็ต้องสร้างบารมีกันมันไม่เฉยก็เฉยลงไปมไม่ข ย, ยันก็ข ย, ยันลงไปมันไม่สงบก็ให้มันสงบลงไปมีศีลงไปมีปัญญาลงไปให้มันถึงพร้อมได้บารมีทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันเป็นการสร้างบารมีครบทั้งหมดเคยหลงไปในความคิดเกิดความคิดขึ้นมากิเลสตัณหามาอภัยเกิดขึ้นมาเอาทาน ที่เรียกว่าลักษณะของอภัยทานให้มันเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาสงสารตัวเองเคยคิดเคยพูดเคยทําอะไรเบียดเบียนตัวเองเราก็เลิกซะมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการเยื่องแยะเยื่องกลายย่างย่างไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวนี่ยเบียดเบียนเียก็เหยียบสัตว์สาลาสิ่งแวกไปอากาศก็เรียกว่าเป็นทางไปเลยจนกทัา่งบางทีน่ยก็มีการวิเคราะห์กันนะ เราพิกันว่าเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยรูปร่างของเราที่เป็นกายในกายมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะมันซ้อนทับกับกายกหลายคนเลยที่นั่งซ้อนอยู่ตรงเนี้ยสรางคนสร้างสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่ดึกดําบันมันก็อยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ในโลกนี้นมีสรากคนสร้างสัตว์หมดไม่ต้องกลัวผีเลยตรงไหนก็มีหมดนะนะ บอกว่าเออที่วัดนี่ผีดูพวกโรงพยาบาลนะ่ะโรงพยาบาลนะ่ะคนตายเยอะกว่านี่ผีน่าจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมากลัวผีที่วัด น, นะผีที่โรงพยาบาลน่ะก็เยอะแล้วก็โดยเฉพาะที่ไหนที่ไหนมันก็มีลักษณะอาการหลังเป็นรูปนะที่เป็นภาคทิพย์ภาคละเอียดเยอะแยะไปหมดอย่างตอนนี้อากาศนะมีภาคทิพย์เยอะแยะไปหมดในร่างกายของเราก็เหมือนกันนะมีอาการเกิดดับเป็นภาคทิพย์เต็มไปหมดกายหยาบกายทิพย์มันมีอยู่ อันนี่ยมันเป็นเรื่องของฤทธิ์ทางจิตที่เราจะต้องสัมผัสมันนมยิดที่ต่างๆมันเกิดขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นของหยาบแค่มาสัมผัสกับความรู้สึกตัวเนี่ยสติสัมผัสญญเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นของหยามเหมือนกันนะว่าคนไม่เคยฝึกปุตชนทั่วไปไม่รู้จักเลยอะไม่รู้เลยวเออรู้สึกตัวรู้สึกตัวมีแต่หลงตัวหลงตัวมีกายหลงกายมีใจหลงใจ มันก็จะต้องทุกข์ไม่ทุกข์มันก็สุขก็คือการตีความของจิตแต่นั้นเลยสิ่งเดียวกันบางทีบางคนก็บอกว่าสุขอย่างทําวัดเช้าอย่างเงี้นะบางคนบอกมีคุณมีค่ามากมาทําแล้วเกิดพิธีเกิดสุขบางคนทํากังวลเหงาห่าวนอนบางคนก็ไม่มาดีกว่ามาแล้วโอ้สูนอนหลับไม่ได้ย่เี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเะยวิธีคิดวิธีปรุงวิธีแต่งของค น, นเราก็มาเห็นเราแล้วโอ้ เหมือนกันทุกคนน่าสงสารจริงๆนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องรับรู้เรียนรู้ฝึกขาดกันเราต้องมีการแบ่งปันกันแบบการยาณมิตรไม่พาไปทางที่เสื่อมเป็นลักษณะของมิตรอุปการละช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเป็นทางไม่เสื่อมโดยเพราะเรื่องของความรู้สึกตัวเป็นบรรยากาศเป็นสิ่งแวดล้อมให้สังกันแล้วกัน เ้าตื่นขกันมาพร้อมกันไปรับประทานอาหารกันไปด้วยกันทําอะไรทําการสุขด้วยกันทุกด้วยกันเวลาปฏิบัติกลุ่รวมกลุมกันปฏิบัตินะมองเห็นกันเขาหลับเราไม่หลับเขาง่วงเราไม่ง่วงเขาออกไปแล้วเรายังอยู่ในฐานอยู่มีขันติความอดทนอดกั้นเป็นตบะใหม่ๆก็ทนตอนหลังไม่ต้องทนเพราะว่ามันได้อารมณ์ปฏิบัติขึ้นมามันรื่นเรืองจิตใจปราโมทเกิดศรัทธาขึ้นมา เกิดความขยันเกิดวิริยะเกิดปีติเกิดความสงบเกิดปัสสติขึ้นเลยมีความสุขนะมันเป็นสุขโลตระไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยพบมันก็พบนมันมนีบางทีก็เดินตัวเบาลอยมันไม่ได้เดินบนดินะกายโลตาจิตตาโลตาบางทีก็นักหนักนยกขาแทบไม่ขึ้นยกมือแทบไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะได้มีประสบการณ์สอนตนอย่างนะเนีะน่ะ มันก็จะมีอีกมารที่มาประจนเรานะลักษณะของนะอภิสังขารมารนะ์ก็คือการปรุงแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะในชีวิตของเราโนะดยเฉพาะความปรุงแต่งในความคิดนะตัวนีนะ้อันนี้เป็นลนักษณะของทุกอริยักษนะ์สทุกสมุทัยนี่ลดมากเกิดในลษณะของจิตที่ปรุงแต่งทีมยิ่งใหญ่มากนะคิดและกะก้วก็กอดคิดแล้วก็โลภคิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็ชังนะ เป็นกิเลสเป็นตันหาเป็นอุปทานเป็นความเกลียดเป็นความกังวลก็คือเป็นความสุขเป็นความทุกข์เกิดจากวิธีคิดต่างๆพิสังขารการปรุงแต่งปุญญาที่สังขารปุญญาที่สังขารเป็นภาษาบาลีคือคิดแล้วก็เป็นความดีคิดเราเป็นความช่วบางทีก็ชั่วยวูบมาคนไม่เคยคิดถึงเป็นขู่หรือศัตรูนี่มันมายาธรรมานี่มานะ คนที่รักมาแต่กลายเป็นคนที่เกลียดสุดๆเลยคนที่เรารักปานจะเกินกินก็นคือภรรยานะเราก็เลือกแล้วรักกว่าพ่อกว่าแม่ยังตั้งไปอยู่ด้วยกันพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องสนใจเลยไว้ข้างหลังเลยเอาโลกเมีย อ, ออกหน้าเลยประเภณนี้สร้างฐานาสร้างครอบครัวรักแต่ท้ายสุดเวลาปฏิบัติมันเกลียดสุดๆมาแค่คิดว่ามันอยู่ได้ไหรือเปล่านยสงสัยจะมีชู้บ้างเนี่ย คิดแค่นี้มันก็โกรดมาเดินจงกรมเน่ะหัวร้วนนุ่งห่มผ้าเหลืองเนีนะปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเน่ยถือปืนยิงตายคาที่เลยมาลูกหัวตัวเองโอ้มโนกรรมร่างกายระบบหายใจยังไม่ได้บวชเลยมันเกิดจริงๆริงายปฏิบัติเดินจงกรมเดินแต่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้กลับไปบ้านกลับไปเป็นอันธถานแทนที่จะเป็นพระไปนิพพานเป็นภาละต่อไปโมโนกรรมนะ เพราะนั้นต้องป้องกันสักหน่อยเวลาปฏิบัติเนี่หนึ่งไม่พยายามรับอารมณ์ข้างนอกไว้อารมณ์ข้างนอกที่มันชวนทําให้เราระ ล, ลึกถึงอดีตนยอยู่กับปัจจุบันให้ได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ตวนะ่สองดูซิว่าข้างในมีอะไรตั้งแต่ก่อนปฏิบัติจนกระทั่งมาถึงวันที่เราปฏิบัตินีวงเล็บปีกาตรงนี้ระยะตั้งแต่เริ่มต้นมีชีวิตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทำอะไรมาบ้างให้มันทำอยู่แค่นั้นสิ่งที่จะทำต่อไปนี้คือรูปแบบของกรรมาฐานเรื่องเดียวเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติลงไปตรงๆใชกกออกกกก้การเคลื่อนการไหวเพราะอีบอทพวกนี้เป็นการจำลองบอกเลยเป็นการจำลองการเคลื่อนได้จังหวะเราเคยใช้ไปแล้วเป็นบุญเป็นบาปปัดนี้แล้วจำลองมาดูแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยดูสิจิตวิญญาณของเราที่เคยประทับร่องรอยในอดีตมานะ มันมีบนมีบาปอย่างไรเรียกว่าพี่สังขารมามนอมีอย่างไรวิทยออกทั้งหมดคิดปับ๊บลบทันทนะีเหมือนกับเราพิมพ์ผิดนะพิมพ์ตัวไหนผิดก็ลบตัวนัน้นทันทีตัวไม่ผิดก็เหลือต่อไปเสร็จแล้วลบลบลบลบลบลบลหรือเปรียบเหมือนจัดห้องก็ได้ห้องเราไม่ได้จัดมาเป็นสิบปียี่สิปีบางคนก็สามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีจัดใจห้องนี้คือจิตใจของเรา ขยะมากักรกอ่ะไอ้ที่ดีก็มีไอ้ที่ใช้จนทั่งมันเหลือแต่ขยะก็มีความคิดขยะนะจนทั่งเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็มีรอมาเองหรือว่ามาโดยไม่ต้องเชื้อเชิญฝุ่นละองต่างๆมากับเทคโนโลยีนะเคยเรียกทรหนิ่มันดูดฝุ่นเข้ามากักเก็บเอาไว้พัดลมมันดูดฝุ่นเข้ามากักเก็บเอาไว้จนกระทั่งเต็มห้องไปหมดเลยแล้วก็นอนอยู่กับสิ่งสกปรกวันหนึ่งเกิดอยากจัดขึ้นมาเี้ยนะ มันก็ฟุ้งพอสมควรเวลาฝาดเวลาเก็บลกระงลงลังทีเดียวมันก็เหมือนกับความคิดของเราที่มันแสดงออกมาขณะปฏิบัติมันลกทีเดียวจนบางทนะีมันนอนไม่ได้เลยทีเดียวเราใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยใช้ไม่ได้เลยอย่างนีนนะ้เพราะนั้นเราจะได้เห็นเวลาปฏิบัติมันฟุ้งซ่านจริงๆนะก็คือขยะมันแสดงออกมาเนี่ยของดีเราก็มีแต่ความรู้สึกตัววิตออกวิตออกวิตออกใส่ความรู้สึกตัวลงไป บรรยาพิษหนึ่งแก้วกินตายแต่ว่าถ้ามันน้ำหนึ่งโอ่งจะกินตายหมน้ำหนึ่งคลองเงี้ยอายาพิษละลายไปในคลองอนะมาดืม่มจะตายไหมแต่ถ้าน้ำน้อยๆมนก็ตายเาะนันกวางรู้สึกตัวมากๆบาปกรรมในอดีตที่มันเคยปรุงแต่งเคยคิดเคยพูดเคยทําก็เจือจางลงไปหรือถึงขั้นปลอดภัยทีเดียวแต่ว่ากรรมไม่ได้หายไปไหนพอความรู้สึกตัวลดมาแลา้วกรรมมันก็แสดงทันทีลบน้ําลดต่อผุดอย่างเงี้ยนะ มันจะกลายเป็นว่าเราลบไม่หมดมันก็ยังเหลือเชื้ออยู่พอท้ายสุดพอไปรับอารมณ์ก็ขึ้นมาอีกเป็นการเป็นลาคาเป็นอะไรต่างๆเราก็ได้เห็นเป็นการศึกษาเหตุนเนื้อถูกนืผิดเนือเหตุเนื้อผลด้วยความรู้สึกตัวมันมีอยู่มันเป็นอภินญาทีเดียวมันเป็นรู้โดยที่ไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องใช้วิธีคิดมันเป็นความรู้รู้ว่าเออเวลาสัมผัสรู้น้ำปลอดภยัย ไม่มีใครทําอะไรได้หรอกตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไม่ตัวเ น, นี้นะประเด็นเล่าหนาของความคิดนะคิดดีก็ไม่เอาณขณะปฏิบัติคิดไม่ดีก็ ม, มีแต่แตะรู้แตะรู้แตะรู้รู้สึกตัวจนจิตมันตื่นขึ้นมาทํายังติดมันตื่นใหม่ใหม่มาอาจารหลับบ้างตื่นบ้างไม่เป็นไรนยังดียังตื่นบ้างปกติมันหลับตลอดหลักปรับสองชั้นสามชั้นนั่นแนหะ แต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะรู้สึกตัวแวกออกมาได้บ้างเช่นความง่วงเหงาหานอนอันนี้มันจะหลับบนที่นอนแล้วก็แวกออกมาปลุกตัวเองให้ตื่นให้เดินจงกรมให้นั่งสร้างจังหวะสัมผัสให้แรงๆลงไปความรู้สึกกระโดดออกมาอย่างนี้นะอันที่สองมันหลับในชั้นที่เรียกว่าความคิดอย่างเงี้ยความคิดมันมันพาเราไปติดกับมันหลับอยู่ในความคิดมันจะเป็นโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตอย่างเงี้ยะ แล้วก็แวกออกมาอีกชั้นหนึ่งต่อมาคือติดรูปแบบเป็ น, นปศีลแล้ตปรามาตติดรูปแบบมากเป็นศีลพระตตุปาทานเป็นอุปทานในรูปแบบบางทีก็ของชัง้นต้องยกมือสิบสี่ของฉั้นต้องเดินจงกรมของชั้นต้องท้องพองยกของชั้นต้องสารพัดนะนะจนติดรูปแบบมาทะเลาะ ก, กันทําไมไอ <c oughs> พวกนั้นนะต้องแวกออกมาอีกชั้นจนได้มาเป็นอิสระภาพ มันไม่ถูกไม่ผิดเหนือถูกเนือผิดเนือเหตุเหนือผลไปแต่บางเอญว่าทีเนี่เราต้องใช้เคลื่อนไหวรู้สึกจะมาพูดของที่อื่นมันก็ไม่เหมาะหรอกถือว่าไม่มีความกตันยูไม่รู้คุณสถานที่ไม่รู้คุณครูบาอาจารย์นะอากระตันยูอันนี้มันก็จะชิบหายวุ่นวายกันพอสมควรทีเดียววัดบารามกลายเป็นฝักเป็นฝ่ายนแต่ว่าเราก็เออไม่เป็นไรก็ ถ, ถือว่าวัดนี้วัดป่าสุขโตนะ ถือว่าเป็นของทุกวิธีการเลยดีมเป็นทุ ก, ท, กทุกกิจกรรมมาลงได้ทั้งหมดเลยดีไหม้ายหบไลน์ให้มาใช้กันรวมทั้งวิธีแนวหลวงปู่เทียนแต่ว่าคอร์สนี้ให้ใช้การเคลื่อนการไหวหเต็มที่เพราะว่าได้สัมผัสทางนั้นมามีความมั่นใจสูงเคยฝึกแนวธรรมกายมาทางก้าวหน้าครั้งที่หนึ่งก็เคยไปร่วมอันนั้นสมัยอยู่เชียงใหม่พุทโธสามาละหังคุณแม่สิริ สายลงพูชานะพระฝรั่งนะเคยได้ยินได้ฟังมาแต่ว่าสิ่งที่ชื่นใจที่สุดลโดนใจที่สุดก็คือนะการเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ต้องพูดถึงทำบุญทำถ า, ารักษาศีลอะไรเป็นทั้งหมดนะั่นพูดถึงว่าเวลามันคิดมากๆเวลามันทุกข์กความคิดเนะี่ยกลับมารู้สึกตัวได้ไหมเอาแค่ตรงนี้พอแล้ว เดินจะกรมรู้สึกตัวเดินไปไหนมาไหนรู้สึกตัวสิบสี่จังหวะรู้สึกตัวรู้ว่าไม่ต้องสิบสี่จังหวะแค่กําปัน้นทุบเข้าไปที่เขานะี่ยเรารู้สึกตัวแล้วไม่เข้าไปในความคิดแค่เนี้ก่อนแค่นี้มันก็โดนใจแล้วล่ะโอ้ไม่เคยเจอเคยเจอเงี้ปกติต้องคบคิดอย่างเงี้ยนะเราต้องปฏิบัติธรรมจนกระทั้งเกิดบบเพลงนิวาส า, านสติญาญญาญที่หนึ่ง ต้องให้เกิดรลหวะของนามรู้วิเชต ย, ยานต้องให้เกิดล้วะของจูตู ป, ปัตยานอสุไกยานอย่างเงี้ยจนเป็นริษทางจิตมโนมยิที่ต่างๆแล้วก็ยกจิตขึ้นกลายเป็นเรื่องของอิสรภาพทางจิตวิญญาณมันจะเอาอะไรไปยกถ้าไม่รู้สึกตัวไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้ใ น, ใ, นในต้นเลยก็คือ ให้เห็นลักษะกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแล้วจะมีทิศทางเดินไปทางไหนไม่เห็ น, นอาการหยาบลองลงมาคือเวทนาในเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอย่างเช่นมเมื่อวานหลวงพ่อกรมท่านเทศประมาณหนึ่งชั่วโมงแหมมันชื่นใจจริงๆนะระหว่างที่มันเจ็บยีดยีดยีดขึ้นมาเน่ยอร่อยไหมโยอมอนุภาพว่ามันอร่อยนะมันทำมามมอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวหลังให้เทศอีกและไม่เพียรบอกว่าเทศเท่าไหร่ก็ได้อย่าไม่จะฟังใช่ไหมเดี๋ยวหลังหลวงพ่ะกลมเทศอีกนะเอาสักสามชั่วโมงติดเลยถ้าเป็นสายลูกชานั่งเทนจนคนเหลือคนเดียวเลยอันนี้ไม่เคยเห็นมากตานะแต่หมายถึงว่าได้ยินได้ฟังพระฝรัง่งผู้ไมโกหกพระฝรังรร่งนะจะพะืดอะไรต ร, รงๆแต่คนไทยจะพูดกันอะไรเฉยๆไว้เรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะของคนไทยนะลักษณะ กลัวคนอื่นเขเจ็บช้ำน้ำใจเป็นคนที่ระมัดระวังพอสมควรในที่ทำงานก็ใช้กันเยอะนะบางทีนะเจอหน้ากันนะคุยกันดีดีหวานจ่อยเลยนะจ้าพี่เก่งจ้าพี่สวยจ้าอะไรก็จ่าจ้าจ่าจ้าพอรับหลังปับนิดเดียวนะเฮี้ย er. ใส่กันมาเลยพวกเอ๋อ่ารเงี้ยรับหลังนะัะเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพรานนะนั้นเนี่ยคนิสัยคน ไ, ไทยแล้วก็ไม่ว่ากันะแทยข้างหลับ้างอะไรบ้างเออไปเป็นอะไรแล้วก็รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางโดยการฝึกความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเพราะนั้นกระดาษนินทานเรงฟังได้เพราะนั้นหลวงปู่กูบาอาจารย์ต่างๆพูดตามเราเลยสบายเลยเพราะความรู้สึกตัวผ่า น, นมันมีจริงๆนะได้ยินได้ฟังทางหูก็ผ่านเพราะเรมีกายนะมีกายเราเห็นกายมีเวนาเราเห็นเวาเเนามีจิตเราก็เห็นจิต มีธรรมะคือธรรมชาติกระทบต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นภายนอกภายในคือเวลามันง่วงเวลามันมีอาการต่างๆเช่นเบือ่อเช่นะความสงบนหรือว่าความสุขมันแสดงออกมาบางทีเจออย่างมาลินลินลินลิ น, ลนทั้งเนื้อทั้งตัวเบาวิวเลยเกิดพิธีขึ้นมานะเป็นอาการเราก็ผ่านทั้งหมดเลยจิตปกติรู้เฉยๆรู้ซื่อนะ รูแล้วก็ไม่ใช่พอใจหรือว่าไม่พอใจตัวเนี้นะอ่านะตอนนี้ก็พูดมาประมาณสามสิบห้านาทีนะก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาวันนี้ก็ขอให้เรามีความรู้สึกตัวส่วนมันมันจะผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรหรอกเช้าไม่ผ่านเดี๋ยวบ่ายจะผ่านวันนี้ไม่ผ่านเดี๋ยววันหน้าจะผ่านนะค่อยทําต่อไปนะความง่วงมันมีก็ดีแล้วนะเอาเป็นครูรู้ว่าทุกๆเหตุการณนะ์ที่มันเกิดขึ้นมา เราจะรู้สึกตัวมันชวนให้เราไม่รู้สึกตัวหนะึ่งคือครูตัวดีนะคือกาลายมิตริพาเราพ้นทุกนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีกายมิตรที่เป็นนะความรู้สึกตัวในกายของเราก็ขอให้บรรยากาศของกายมิตรกายยานธรรมนะ ก็ส่งผลให้เราได้ปฏิบัติธรรมจนเจอธรรม ะ, ะที่เป็นสัยธรรมก็คือสติสีนสมาธิปัญญาแล้วก็พาจิตใจของเราสู่ความเป็ น, ป, นปกติโดยทัวนาการทุกต้นทุ ก, ททกคนนั้นเธอ